بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ا ل ع ا ق ب ة للمتقين و ل ع و ا ن ا إلا للظالمين وأصلي وأسلم على شرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين ثم ما بعد سلام عليكم ورحمة الله وبركات ข้อสังเกตสำคัญนะครับในสุรตะวาที่เรากำลังศึกษากันอยู่นี่ว่าเป็น <c oughs> ว่าเป็นสุ ร, รที่มีความมีความเข้มเข้มงวดแต่เราไม่อยากจะใช้คำว่าดุเดือดแต่แน่นอน ถ้าคนที่ไม่ใช่มุสลิ ม, มที่อ่านสุรตะว่าเนี่ยก็จะต้องรู้สึกถึงความดุเดือนความเด็ดขาดอีงถ้าคนที่ไม่ใช่มุสลิมที่มีอคติอยู่แล้วนะคนที่มีมีมีพื้นฐานเรียนรู้แล้วก็อ่านอุษานจตนาศึกษาเรียนรู้ ถึงถึงไม่ไดีไม่ไ ด, ไมไดีมีเจตนาว่าจะรับอิสลามนะเขาอยากจะเข้าใจมีคนที่ศึกษากูรอ่านที่ไม่ใชุ่สลิมมากมายศึกษาผูรอ่านทั้งเล่มเลยรวมถึงสุนทรบรรณอายะต่างๆที่ที่เราบอกว่ามีความเดึดขาดเนี่ยเขาก็ผ่านกันมาหมดอ่านแต่เขาไม่มีความรู้สึก ประหลาดใจเพราะเขาศึกษาศึกษาอัลกุรอานโดยไม่เข้าข้างมีมีใจเป็นกลางจึงรู้เหตุผลของแต่ละอายาเนี่ยที่ไปที่มานี่มันมันมาอย่างไงมันเพราะอะไรยิ่งถ้ามีโอกาสเปรียบเทียบกับคัมภีร์อื่นๆเนี่ยก็คงคงจะไม่ ไม่มีข้อติเตียนอะไรเลยคอัในี้ถึงคนที่ศึกษาพูดอ่านที่ไม่ใชมุสลิมแล้วไม่ได้หวังจะเป็นมุสลิมลนะด้วยน่ะก็ศึกษาให้รู้เนี่ยในโลกนี้ี่มีเยอะนะคนที่ชอบเรียนนะชอบชอบศึกษาตะวันตกนี่ก็มีที่ที่เขาเรียกกันพวกบูรพ า, าคดีเรียกว่ามุสตชริตีเนี่ยคนตะวันตกเขาจะชอบศึกษาทุกควนทนทานธรรมในโลกนี้ ทุกวันตะันธรรมในโลกนี้แต่มันเ็จะเาจะแบ่งโลกแบ่งโลกเป็นเป็นสองขั้วขั้วตะวันออกขั้วตะวันตกแลวมีมีเหนือมีใต้มันก็มีแหละแต่แต่เขาไม่เขาไม่เรียมันไม่มีหรอกเออเออวัฒนธรรมเกี่ยวกับขั้วโลกเหนืออย่างเงี้ยขั้วโลกใต้อย่างเงี้ยไม่มี บุรพาคดีบุรพานี่เป็นตะวันออกกันะรวมถึงอารยจรรอินเดียจีนด้วยนะและ้วบุรพาคดีเนี่เขาศึกษาะระธรรอิสลามเนี่ยทั้งทั้งที่อิสลามเนี่ยต้นกําเนิดเนี่ยอยู่ที่ไหนตะวันออกกลางตะวันออกกลางนะตะวันออกแต่เขาก็ถือว่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของตะวันออกเหมือนกันหมายถึงว่าอิสลามนะ ส่วนหนึ่งของตะวันออกโดยเฉพาะวัฒนธรรมที่มีที่มีเชื่ออาหรับอะไอที่จริงนาะวันธรรมอิสลามนาอิสลามนี่เกือบ 90% นะถูกบันทึกด้วยภาษาอรับมีมีอะไรทำอิสลามวิชาการอิสลามที่ถูกบันทึกด้วยภาษาอื่นก็บ้างก็มีนะ ภาษาเปอร์เซียก็มีภาษาอินเดียออร์ดูก็มีแต่น้อยและถือว่าไม่ใช่ของต้นกำเนิดของวิชาการของความรู้ต่างๆโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ที่เขาภูมิใจกันว่านีานน่คืออารยธรรมอิสลามนะถึงแม้ว่าแม้ว่านักวิทยาศาสตร์มุสลิมี่ไม่ใช่อารับนะแต่เขาเขียนวิชาต่างๆเคมีแพทย์ฟิสิกส์คณิตศาสตร์ เขาเขียนด้วยภาษาอังกฤษทั้งที่เขาไม่ไ ม, ไม่ใช่อังกฤษเขาเ ป, เป็นเป็นคนเป็นคนเชื้อชาติอื่นชาติพันธ์อื่นที่ไม่ใช่อังกฤษไม่ใช่ชาวอังกฤษแต่เขาเขียนความรู้ด้วยภาษาอังกฤษจึงถูกมองว่าอารยธรรมอิสลามเนี่ยเดิมเดียก็เป็นอารยธรรมอรับ ม, มีนักวิชาการคนเยอรมันคนหนึ่งชื่อซิกริตฮองกาซิกริตฮองกาเนี่เป็นเป็นนักวิชาการ ด้านประวัติศาสตร์ของชาวเรมันผู้หญิงเเขนหนังสือเล่มหนึ่งเกี่ยวกับอรธอิสลามแต่ชื่อนังสือเขาเนี่ยชัมสุลอารับตุชริตูอาลัลกรบีแสงประทีปของอรับกระจายทิศตะวันตกชื่อชื่อเขาชื่อเขาที่เขาตั้งเองอะนะ แสงประทีปของอารับเพราเขาเขามองว่าเขามองว่าก า, ารยธรรอิสลามนี่ถูกผูกพันตั้งแต่ต้ตนกําเนิดเนี่ยในภาษาอารับภาษากุรานแต่พอส่งไปพิมพ์เนี่ย น, นี่เขาเขียนในคํานํานะพอส่งพิมพ์เนี่ยไม่มีโรงพิมพ์ยอมพิมพ์เฮ้ยอะไรอะไรอารยธรรมอาราบอะไรขอโทษผมพูดผิดผมเล่าผิด เขาเขียนหนังสือชัมสุลอิสลามตุสริกอัลฮะรุปแสงประทีปของอิสลามปรากฏหรือกระจายในตะวันตกและโรงพิมพ์เนี่ยไม่ยอมพิมพ์จนต้องเปลี่ยนชื่อเป็นแสงประทีปของอาหรับแสงประทีปของอาหรับคืออะไรที่จะถูกมองว่าหรือประทับตาว่าเป็นอิสลามเนี่ยเขาจะไม่ไม่ ไม่ไม่ค่อยแฮปปี้มากนะักเพราะมันเป็นการเทริดเกียรติอารยธรรมอิสลามว่าว่ามันเก่าแก่เหนือกว่าอารยธรรมของตะวันตกอันนี้มันเป็นเรื่องมันเป็นแฟกซ์มันเป็นสัญธรรมอยู่แล้วมันบินเบือนไม่ได้อยู่แล้วแต่เขามันแสลงมันแสลงเออเขาจะยอมรับเด้งไงอว่ะว่าคอมแล้วก็เทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ย มันเป็นมันเป็นส่วนที่พ่วงมาจากวิชาการโดยเฉพาะคณิตศาสตร์ที่อาหรับและมุสลิมเนี่ยเป็นเป็นผู้ริเริ่มแล้วก็เป็นเป็นผู้เป็นผู้พัฒนาให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเขาเขารับไม่ได้เขาจะยอมรับไม่ได้ทั้งนั้นนี่คือตอนนั้นน่ะตอนที่อาหรับและมุสลิมเนี่ยเป็นครูสอนลูก ชาวฝรั่งนี่ก็ต้องมาเรียนในมหาวิทยาลัยของมุสลิมที่บัลแดดก็ดีที่สเปนก็ดีตอนนั้นเขยอมรับยอมรับแตก่อนน้นนักศึกษาตะวันตกนี่ก็เหมือนนักศึกษามุสลิมนี่แหละตอนไปเรียนตะวันตกไปเรียนมังนอกกันน ะ, ะกลับมาก็ลินเบี้ยวแล้วเซะฮะลัลโลอย่างเดียวฝรั่งแต่ก่อนน่้นก็มาเรียน ปะเดศมุสลิมเนี่ยกับไปในการเซ ส, สลามออะไรคมอย่างเดียวแนแน่นอนใครที่อยู่เหนือนี่ภาษาเขาอรารยธรรมเขานี่มันจะมันจะเออมันจะมิสูตรตัวเองมันจะมิสูจนตัวเองอสังเกตว่าคนคนที่ไปเรียนญี่ปุน่นไปเรียนเกาหลีนี่อะลิ้นเบี้ยวไปทางญี่ปุ่นและเกาหลมมีมันมันมันเป็นเรื่องธรรมาชาติ เป็นเรื่องธรรมชาติคนที่ศึกษาเรียนรู้เพราะเขต้องการเรียนรู้ถึงแม้ว่าไม่ได้เจตนาที่จะรับ伊斯兰นี่ก็มีมีมีมานานแล้วถ้าคนเหล่านี้เนี่ขาก็ศึกษาคุรานกันมาเยอะเขาไม่มีใครรับอิสลามนะแต่ไม่มีใครติดขัดพอถึงส่วนอัตตาวะที่มีลักษณะความเด็ดขาดแล้วจะมีอคติกับอัตตาวะไม่มีในบรรดาตําราที่พูดถึงเรื่อง ศาสนา伊斯มบริมีอัลกุรอานนี่เดียว่ากุรอานีโอ้ส่ยมากอายะต์ตลอดตลอดสุรานี่ีมสุรัตตบานีดูดมมมใครวิจารณ์แบบนี้ผมบอกตอนต้นว่าดูเหมือนว่าจะดเดือนนะใช้พูดถึงเรื่องการทาสงครามเอ่อการประหัตประหารนะมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นประเด็นสาหรับคนที่มีอคติที่จะนา บทบัญญัติเหล่านี้นะครับมามาโจมติอิสลามอนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เคยพูดมาแล้วหลายครั้งแต่อยากจะบอกกับพี่น้องว่ามันมีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นตัวพิสูจน์ว่าไหนแต่ไหนคนที่ศึกษาเรียนรู้อุไรนี่ก็เยอะนะที่ไมิชุสลิมนะเยอะนะแต่ทำไมมีแค่บางส่วนทําไมคนอื่นเขาไม่มีคนอื่นที่ไม่ใช่มุสลิมทําไมเขาไม่มีทัศนคติแบบนี้ ในสุรา ห, หรือในอายะบางอยายะแบบนี้ก็แสดงว่ามุมมองที่วิจารณ์เนี่ยมันเกิดจากความอคติเกิดจากอคติอุลมะก็บอกว่าทุกคนเนี่ยเป็นศัตรูกับสิ่งที่ตนเองไม่รู้เป็นศตรูเราเข้ามาสโศดัว เ, เข้ามาห้องหนึ่งห้องนี้มันมืดหมดแล้วก็เห็นเงาเห็นเสียงก็แก๊กก็แก๊คือเราที่ความไม่ก่อนวว่า ไอ้เสียงเงานะั้นน่ะเป็นมิดไหมมีมไหมเราไปที่ไหนเข้าไปในป่าเงี้ยแล้วก็ได้ได้ยินเสียอ๋อนั้นเพื่อนมิตรไม่คือไอ้ที่มันปิ้งแรกๆอะนะตรงเป็นอะไรที่อันตรายกว่เพราะไม่รู้ไงนี่เป็นสัญชาตญาณของพวกเราทุกคนเลยนะบางทีเข้าบ้านตัวเองอะเนะข้าห้องตัวเองอะได้ยินเสียงคือตีความไปก่อนเป็นหนูเป็นจิ้งจกเป็นอะไรสักแบบอะไรสักอย่างหนึ่ง อาจจะเป็นคุณแม่ก็ได้อาจจะเป็นคนอื่นก็ได้คนเราที่แท้เลยนะแต่บางทีเราเราจะละเวงในสิ่งที่เราไม่รู้ไงสิ่งที่เรามีความสงสัยนี่เปนสัญชาตญาณและเรื่องนี้จําต้องทําให้เราได้เห็นใจคนที่ไม่ใช่มุสลิมตอนเขาเริ่มเริ่มแรกเรียนอิสลามเนี่ย ต้องให้โอกาสเขาหน่อยต้องให้โอกาสบางทีเข้าศึกษากุตตานก็จะเกิดความสงสัยก็จะเกิดบางทีก็เกิดคือถ้าเป็นถ้าเป็นมุสลิมสมมติว่าผมนี่สอนเนี่ยสอนสอนกับมุสลิมกันนะ ถ, ถ้าเป็นมุสลิมแล้วมาถามเชคแล้วทําไมไอ้นีกาาน้กับไอ้นี้ไม่ตรงกันนะ่ะผมคิดยังไงฮะคนถามผมแบบเนี้ยเชคทำไมไอา้านี่ไอ้นี้มันไม่ตรงกนะันน่ะไมมันค้านกันนะ่ะทําไมมันไม่เออแสดงว่า คนนี้ไม่น่าจะเป็นมุสลิมนะคือใจเขาเนี่ยมองถึงกุรอ่านไม่มีมุสลิมเขามีมารยาทเนี่ยเพราะเขาเขารู้ว่าที่ที่ที่อาย่านี่กับอาย่านี่ดูเหมือนไม่ตรงกันนี่อันนี้มันเกิดจากความเข้าใจแต่มันไม่ได้เกิดจากความข้อเท็จจริงว่ามันไม่ตรงกันแต่คนนี้ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาไม่มีเขาไม่มีไม่ใช่ไม่มีมารยาทมารยาทของมุสลิมเกี่ยวคุรุอ่านนี่เขาอาจจะยังไม่ไม่ไม่ไม่ถนักเนี่ย เขาศึกษาคุรานเหมือนเป็นคนใหม่ที่ยังไม่ไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยเราก็ต้องเห็นใจคนชาวเมืองน จ, จรรนที่เป็นคริสเขารวมตัวกันแล้วก็เอาบาตรหลวงผู้นำศาสนาเขานี่คริสตสนาแล้วก็เดินทางไปหาท่านนบีสุลต์ละอะสัลละเพื่อจะได้ โตเถียงกันนบีก็โตเถียงกันนบีในเรื่องในเรื่องท่านนบีอีซานี่แหละแล้วก็เรื่องราวของเขาการสนทนาธรรมระหว่างบาทหลวงคริสตาวนัจุรอนชาวเมืองนัจรอนและท่านนบีนี่ก็ถูกจารึกไว้ในสุรัสสุรัสเอลเมอิดะเราก็เคยอธิบายไปแล้วเขามาเถียงท่านนบีหลเรื่องแล้วก็โตเถียงเชิง คือแย้งอ่ะแต่ท่านดับีโโ้โซลุกอิลเลิร์มไม่ไม่แสดงกิริยาไม่พอใจหรือแสดงความหงุดหงิดในในข้อสงสัยของเขาหรือคําโต้แย้งของเขาแต่ไหนมีหนามซ้ำในความที่คือถ้าเกิดขึ้นในยุคของเราอ่ะนะเราอาจจะดูเหมือนว่าเออเสียมารยาทหรือมามาท้าทายหรือมาก่อกวน คือมาเถียงกันนบีในเรื่องศาสนานี่ยพอถึงเวลาละหมาดของเขาเนี่ยเขาบอกว่านบีเราขอเนี่ยละหมาดของเราหน่อยนบีก็ชวนละมาดตรงนี้นในมัสยิดนบีให้อันนี้ให้ละหมาดในมัสยิของนบีเราบอก็อธิบายเรื่องนี้พราก่อนนะเราเออเรื่องเรื่องนี้เนี่ยให้เราได้รับรู้บ้างนะครับว่าในสุนนะของท่านนบีในมีความยิดหยุน่นและแน่นอน เขาเถียงกันบีไนว่าเขาเชื่อว่าพระเยซูนี่เป็นพระเจ้าแสดงว่าการละหมาดของเขาศาสนกิจของเขามันก็ต้องมันก็ต้องเกี่ยวกับความเชื่อของเขาเถียงกันลังโตเถียงกันบีเพราะไม่ใช่พระเยซูเนี่เป็นเป็นพระบุตเป็นเป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้า อ่ล้วตอนเขาละหมาดก็ท้องก็ท้องเป็นชิริกไงแต่ในสุนเน่ของท่านนบีอันนี้เราจะได้เข้าใจสุนเน่ของท่านนบีนบีอันเนียดเธอในเมื่อเขาไม่ได้เป็นปฏิปักษแล้วเขาอยู่ระหว่างการศึกษาเรียนรู้นบีอันเนียดในเขาละหมาดในมัสยิดของท่านนบีผมก็เคยพูดบอกว่าอันนั้นไม่ใช่หมายรวมว่าเราจะมาเปรียบเทียบสุดทางเลนะอันนี้เราจะ ถ้ามีคนที่บูชาเจวิตแล้วก็โอ้โดูขอเชิขอบูชานิดนึงพอเขาไม่ได้มีแบบนั้นน่ะเขาไม่ได้โอ้โดูขอเอาเอาไม่กังเขนมาว่าเขาไม่มีไงแต่แต่สมมุติว่ามีคนสมมุตินี้ผมผมผมเผื่อไว้นะถึงแม้ว่าบางทีในพูดอะไรเนี่ยมันก็กลายเป็นประเด็นนะนะช่วยเฟซบุ๊ o เนี่ให้มันคึกคักหน่อยนันนี้อันนี้เทวิตเ ต, เตอร์เนี่ยมันแย่งซีนไปหมดสมมุติว่ามีพี่น้องแต่จรชาพูดธอย่างเง มานั่งสมาธิที่มัสยิดไม่มีม่ได้บูชาเท่วนั้นว่านั่งสมาธิได้ไหมผมก็เคยตั้งคำถามแบบนี้เลตอนที่อาทิตย์วันสุรัสสุรันมาอิกได้นี่ก็นิ่งๆนิงๆกันนะกลัวตอบ <laughs> แค่บอกว่ามันมีความยืดหยุ่นในสุนนะของท่านเนาบี แต่มาถามเรานี่นแค่เรานี่เราเราเราไม่ได้เราไม่ได้เป็นผู้นําศาสนาไม่ได้เป็นนักเคลื่อนไหวไม่ได้เป็นอะไรอะนะแค่ถูกถามเนี่ยเราก็อึดละไม่กล้าตอบและยิ่งถ้าว่าเราเจอจริงๆอ่ะพี่น้องคุพี่น้องต่างเสน้นจริงๆอ่ะนั่งอยู่เอาพี่ทาอะไรอยู่แป๊บหนึ่งผมกําลังสมาธิแป๊บหนึ่งเราก็คงมีปฏิกิริยายิ่งยิ่งถ้าถ้าเราถ้าเราเรียนกับบางกลุ่มที่เขา กลุ่มกมฮาร์ดนะกลุ่มฮาร์ดคอร์นะเออ <c oughs> นู่นไปสมาธิข้างนอกนู่นถ้าถ้าเรารู้เนื้อหาของสุนหนทนี่มันมีแบบนี้แสดงว่าเราอาจจะอาจจะไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเออมันทำได้หรือไม่ได้ แต่มันยังเป็นเรื่องที่พอคุยกันได้มันไม่ใช่เรื่องเด็ดขาดร้อยปอร์ซว่าไม่ได้อเอาแใจให้ดีนะนี่ผมยังไม่ได้สรุปนะอ่าแต่มันก็เป็นประเด็นอีกอะแต่ก็ยังไม่สรุปนะแต่แค่บอกว่าอาในสุนทรคุณท่านในามีแบบนี้นะนบีให้บาทหลวงได้ประกอบศาสน ก, กิจตามความเชื่อของเขาโดยมีคนจะบอกว่าอก็อคริสเขา ความเชื่อของเขาดั้งเดิมไม่ใช่ก็เขามาเถียงกับท่านดาบี้ในว่าพระเซูนี่เป็นพระเจ้าและยังไม่ได้รับลามนะมเขาขอไปประกอบศาสนกิจของเขาอันนั้นแสดงว่าความเห็นใจกับคนอื่นที่เขาศึกษาเรียนรู้คนที่มาศึกษาเรียนรู้เหมือนเขา ประกาศตัวว่าเขาไม่ได้เป็นปฏิบักษ์กับเราไม่ต้องถึงขนาดพิสูจน์ขั้นตอนว่าเขาเป็นคนที่ศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมเพียงมีคุณลักษณะหรือสัญญาณบ่งชี้ว่าเขาสนใจ และนี่คือสิ่งที่นัก บ, บิชาการเขารวมรมที่จะใช้คําว่าอย่างของของมลนิธมุสลิมอสัที่เราใช้คาว่ากลุ่มการผู้สนใจอิสลามสนใจอิสลามอาจจะไม่ต้องไม่ต้องการเรียนรูกร้ก็ได้เขาสนใจสนใจเชิญเชิญมาเรียนรู้เชิญเชิญมารู้จักอิสลามเพียงเขาสนใจอิสลามนี่นะเขาประกาศตัวเขาไม่ได้เป็นปฏิบัติแล้วเพราะ คนที่เป็นปฏิบัติเป็นศัตรูนี่นะสนใจไหมไม่สนใจมาเรียนรู้ไม่รู้จักไม่อยากรู้อะไรทั้งสิน้น ไ, ไ, ไปไปไปไกลๆเลยนี่นี่คือศัตรูเนี่ยนี่นี่คือคนที่ไม่หวังดีเนี่ยสนใจไหมไม่สนใจแต่คนแค่บอกเออนะ่สนใจนะ่าอะไรเงี้ยอันนี้คือคือมันแสดงอะแสดงถึงความบริสุทธิ์ระดับหนึ่งคนเหล่านี้เนี่ยไม่แฟร์เลยนะไมายุติธรรมเลยนะที่เราจะเหมาให้เขาไปอยู่ใน เข่งเดียวหรือในตะกร้าเดียวกับกับคนที่ประกาศเป็นศัตรูกับอิสลามไม่หวังดีกับอิสลามมันไม่ควรมันไม่ควรนี่นี่นี่คือมุมมองที่พวกเราและมุมมองนี้มันมาจากตัวบทหลักฐานจากชีวประวัติของท่านดามิสซัลลอห์อิสลามอิสูร์อัตเตวะเองทแตนได้ตั้งแต่ช่วงแรกๆตอนต้นของอัตเตวะ ว่าในหนาดุ่ม م นมุสล ا มีนั้นสตจาร حتى اسمع قرآن الله ถ้าข้อความคุ้มครองได้ศ่งสาริรู้เข้าใจกคำของพระประดมรรู้ของนี้อาจิให้ความคุ้มครองให้ความคุ้มครองนะแต่แปลเป็นภาษาปัจจุบันนี้ก็หมายถึงว่าอำนความสะดกให้ให้สวัสดิการเขาดูแลเขาเคแคร์เขา ฮัตเตสมากันละวะลอจนกว่าจะได้ฟังแล้วก็เข้าใจพ่าดารงอัลลอฮฺ سبحانه และมิหาเราจรึงเข้าใจว่าคนที่ไม่หวังดีแล้วก็ไม่ไม่คำหนึ่งถึงความเป็นมิตรความเป็นญาติความเป็นเครือญาตินี่คือคนที่ประกาศตนว่าเป็นสตรูแล้วประกาศตนว่าไม่หวังดีแล้วประกาศตนว่า ปฏิเสธยังเด็ดขาดแล้วคนเหล่านี้แหละที่อัลลอฮ์มาย้ำอีกรอบหนึ่งนี่หละกลุ่มนี้แหละที่เราจะไม่ทำสัญญาอะไรทั้งสิ้นอะไรกับเขาอีกแล้วไม่ไม่มีแล้วมาเราจะไม่ไว้ใจเขาแล้วนี่หนกุมนี้แหละแลยรกูบูนฟีมุมินอินอิลล้วนัดิมไอ้ยันไอ้ยันอลลอฮฺบูบมาซ้ำอีกทีหนึ่งเพื่อยืนยันกับคนนี้ยังยังแข็งใจว่าเราจะตัก หันทะสัญญากับกับต่ญญางศาสนิกทุกคนเลยแบบนี้มันได้เนอะไม่ใช่ไม่ใช่อัลลอ์ได้เล่าถึงคุณสมบัติของคนที่เราจะไม่มีสัญญาสัญญ า, ญญาเป็นมิตรกับเขาก็าคือคนที่ที่อัลลอ์บอกว่าและอยู่กบูนในมุ่มินอิลลาวะนัดิมเพราะเขาจะไม่คำนึงถึงเครือญาติและพันธะสัญญาฟีมุ่มมินินในผู้ศรัทธา คนหนึ่งคนใดคนหนึ่งคนใดเขาไม่ไม่ไว้ไม่เลี้ยงไม่คำไม่คํานึงว่าเขาคนนี้เป็นพีน่น้องคนนี้เป็นญาติคนนี้เป็นเพื่อนคนนี้เพื่อนทำไมใครเป็นมุสลิมก็ตามเนี่ยอ่ม า, อามอรมุลเลยนะพวกอิสลามนี่ต้องการยึดประเทศอะใค ร, ใครดินกับนี้ต้องการยึดประเทศ เอกชาหลาลนี่ต้องการต้องการล้างสมองยึดประเทศคนไทยนี่ถ้าสมนะสมุตินะ่ะสมมุติน่ะสมมุตินะครับว่ามีใครที่ ท, ที่สมองเขาเนี่ยอยาจะยึดประเทศยึดประเทศนี่ไม่ไมีไม่มีเรือดำน้ําสักสักลำไม่มีเครื่องบินสักลำไม่มีฮะไม่มีรถถังสักสักคันไม่มีอะไรเลยแต่จะยิดประเทศนะสมมว่ามี คนสองคนหรือ ก, กลุ่มนึงแต่มุสลิมทั้งหมดเลยเหรอเนี่ยความไม่ยุติธรรมมันเป็ น, ป น, ป น, ป น, ปน ม, มนนนันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้และจะเราจะเหมารวมคนทั้งประเทศหรือมุสลิมทั้งประเทศเนี่ยในในกลุ่มเดียวกับมันไม่ยุติธรรมแต่ฮาลาฮต้องการล้างสมองคนไทย สมมติว่ามีจริงนะมีคนนี่สมมุติว่ามีคนนี่ก็เขาต้องการให้คนไทยทั้งประเทศเนี่ยกินอาหารฮาลาลไม่กินหมูไม่กินอะไรสมมุติว่ามีจริงนะสมมุตินะซึ่งมันมั น, ม, นมันไม่น่าจะเป็นไปได้สมมุติว่ามีจริงแต่ทั้งประเทศเลยซึ่งทั้งประเทศอ่ะคือมันตะ ก, กะมันแยง้งจริงๆนะคือถ้าหากว่า ต้องการล้างสมองเนี่ยเอ้าเลขทำไมเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นของคนที่ขอตะฮะลาเนี่ยไม่สูกเสียและธุรกิจฮะลาเนี่ยที่อุตสาหกรรมฮะลานเนี่ยเขาเขาเขาเขาทำเขาทำธุรกิจเนี่ยก็ส่วนมากเนี่ยไม่ได้ขายในประเทศเออที่เขาที่เขาขอตะฮะลานเนี่ยมันเป็นของ ส่งนอกันนซึ่งเป็นธุรกิจมหาศาลและได้หากว่าคนอย่างมุสลิมในประเทศไทยเนี่ยที่ต้องการล้างสมองอา้าวแล้วก็ที่บราซิลบราซิลมีมุสลิมกี่คนละ่ะที่จะมาขัดแยง้งกับเรื่องฮาลาล เพราะเราเซียเนียถือว่าเป็นประเทศที่ผลิตอาหารอันดับหนึ่งของโลกไม่ใช่ซาอุดีนะเออเกษิบอกไม่ใช่ซาอุดีนะไม่ไม่ใช่ประเทศมุสลิมรวยยักษ์ใหญไม่ใช่ก็ประเทศมุสลิมนี่แหละประเทศมุสลิมแตท้นี่แหละที่สั่งอาหารฮาลาลพวกประเทศมุสลิมส่วนมากเป็นประเทศแห้งแล้งอำนาจจัดการแบบนั้นไม่ไม่ใช่ประเทศเกษตรส่วนมาก ส่วนมากกันนะของลไม่ใช่ประเทศกษตรแต่รวยรวยแต่น้ำมันอันดับอันดับหนึ่งของโลกในเปรซิลอันดับสองก็ไม่ใช่มุสลิมเหมือนกันนะอันดับสมตุรกีตุรกีนี่เป็นมุสลิมนะอันดับอันดับสไม่ได้แต่นี่มันให้เห็นไงว่าธุรกิจนี้ ธุรกิจควาลเนี่ยนะธุกิจฮลลเนี่ยมันไม่มีศาสนาไงมันเป็นธุกิจล้นแล้วมันเป็นอตัวบูนึงว่าศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาสากลดูนะสิ่งที่มุสลิมกินน่กินกันได้ทุกคนเลยบางอย่าง หรือส่วนมากที่มุสลิมทานนี่นะแม้กระทั่งคนที่กินเจเนี่ยก็กินได้ถ้ายอมเว้นเรื่องอาหารสัตว์ออได้ไหมแต่มันเป็นตัวพิศูจน์แหละว่าคนทั่วโลกเนี่ยเขาสามารถปรับอาหารของเขาเนี่ยให้ตรงมาตรฐานฮะลาลหรือก็แสดงว่ามาตรฐานาไทยหรือเป็นมาตรฐานสากลแต่มีเนี่ยที่ที่ไม่สนใจอยากพี่น้องเขาแท้ๆนี่นะ ที่เขาขอดาฮัลลัลทั้งที่เขาไม่ใช่มุสลิมเขาก็เลยถูกมองว่าเป็นคนงูยอมไมมุสลิมในรังสมองพวนีนคุยคุยยากจริ ง, รงแต่แต่เรื่องจริงนะเราก็ต้องอยุติธรรมวาแล้วก็คนแบบเนี้ยคนี่สมองแบบเนี้ยกี่เปอร์เซ็นต์นะกี่เปอร์เซ็นต์ บางคนบางคนบอกว่าแ่านุน่นทางนี้เปอร์เซ็นต์บอกว่าไม่ไม่มีเปอร์เซ็นต์ไม่มีเปอร์เซ็นต์คือน้อยน้อยถึงขั้นไม่สามารถไม่สามารถระบุเลขเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยมากเหมือนองค์กรองค์กรบางองค์กรดูเหมือนอดูดคนใหญ่โลโก้หรูแล้วก็มีอะไรใหญ่โตแต่มีคนเดียวเฮ้ย ม, มีคนเดียวมันไม่ให้เห็นไง สังคมมุสิมเราเนี่แหละคนใหญ่เป็นอะไรเป็นอะไรอะไรสมาพันธ์มีคือขายมีอะไรเยอะแยะไปหมดแต่คนในงกรเนี่ยมีไม่กี่คนแต่เกณฑ์โลโก้ ม, มาเป็น10บ ส, บสบโลโกโ้โอ้ยเขากนะ็ไม่อายนะไม่อายนะทำแบบเนี้ยองค์กองค์กรมีคนเดียวคนเดียวจริงๆขอหรือจุดอ่อน ของของรงรบกันด่าสื่อเนี่ยมันสามารถสามารถหลอกลวงได้ยิ่ง ส, สื่อที่มอบเครื่องเครื่องมือให้ทุกคนนี่นะมีสื่อของตัวเองมีสื่อของตัวเองสถานะของทั้มสถานะของทั้มที่เป็นอดีตสถะธานที่ไม่ดีอดีตประธานที่มีของบริการนะ กับเด็กแวนคนหนึ่งที่ต้องการเผยแพร่กิจกรรมแวนของเขานี่นะกับทั้มอะนะเหมือนกันเลยคนนี้มีบัญชีทวิตเตอร์คนนี้ก็มีบัญชีทวิตเตอร์เหมือนกันเลยไม่ไดังอนะคนนี้สามารถแสดงความเพราะทั้มนี่นะไม่มีไม่มีสื่อยักษ์ใหญ่ c n n b b c อะไรของของตะวันตกนี่นะไม่เอาเขาไม่เอาเขา แต่เขามีสื่อของเขาเขามีสื่อบางทีนี่คำสั่งในทำเนียบขาวนี่ผ่านเทวิตเตอร์ก่อนที่โคโซจกรุ้อันนี้นี่เครื่องมือเครื่องมือของสื่อปัจจุบันนี่คือจุดออกสามารถสร้างภาพและนี่คือสิ่งท้าทายที่จะทำให้เราในเวลาเวลาตรวจสอบ บุคคลบุคคลที่เราจะต้องมีความสัมพันธ์กับเขาเนี่ยเราต้องประเมินให้ถูกเพราะการพูดคุยกับโดยเฉพาะกับพี่น้องต่างศาสนาเนี่ยเราตรู้ก่อนแต่ความเป็นมิตรความเป็นศัตรูเนี่ยมันต้องมันต้องกระจ่างชัดก่อนมิฉะนั้นถ้าเราใช้อคติเอยียงเดียวนี่แนะ่ทุกคนก็จะเป็นศัตรูกับเรา แล้วคนที่มีปัญหาแบบนี้เนี่ยนะเพื่อนน้อยมองทุกคนในแง่ไม่ดีมียคติกับทุกคนเนี่ยส่วนมากคนเหล่านี้เนี่ยก็จะมีปัญหาทางจิตใจเป็นโรกจิตเป็นคนที่ระแวงเป็นคนเป็นเป็นคนย้าคิดย้ำํำทามองทุกคนในแง่ที่ไม่ดีนะ่ะแสดงว่ามีปัญหาทางจิตใจแน่นอนสภาพจิตใจของเขามองทุกคนเ น, น, นี่ยในลบไปหมดแทบอุศธาเนี่ยไม่ได้ ถ้าแบบนี้นอกนอกจากว่า ม, ม, มันเป็นเรื่องผิดปกติผิดสัญชาตรยานะมันผิดหลักการศาสนาด้วยเพราะทุกคำพูดว่าจาะหรือการกระทําที่จะตามมานี่นะมันขึ้นอยู่กับเนี่ยขึ้นอยู่กับการประเมินคนนี้เป็นศัตรูหรือเป็นมิตรไม่จำเป็นต้องเป็นมิตรแต่เขาไม่ได้เป็นศัตรูกับเราไม่ได้เป็นศัตรูกับเราเราก็จะสามารถเออทำอย่างนี้ทําสัญญาสันติภาพกับเขาได้ว่า ม, มีปัญสัญญาอะไรกับเขาได้ไหมอันนี้ ันนี้มันก็จะตามะครับนี่แต่คนนี่ไม่ไม่หวังดีอะไรเลยนี่นะบบอกว่าอุไรกับฮุมุนหมดจะดูนและชนเหล่านี้แหละพวกเขาคือผู้ละเมิดพวกเขาอื่นละเมิดเขาไม่ได้เป็นคนที่ไม่คำหนึ่งอย่างเดียวนะไม่เขาจะเป็นคนที่ละเมิดเป็นคนที่มีกริยามีพฤติกรรมสื่อถึงความเป็นศัตรู จะเป็นคนที่ล่วงเกินเป็นคนที่ทำร้ายเป็นคนที่อันตรายต่อเราอย่างแน่นอนทั้งหมดนี้อย่างที่บอกนะเราสภานุการและให้หตุผลกับคนที่กำลังระแวงใจว่าเราจะตัดตัดข้อคูกคันกับคนเหล่านี้ได้ยังไง فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين و ن ف س ر و ا ل آ ي ا ت ل قوم يعلمون แล้วพวกเขา แล้วหากพวกเขาสํานึกผิดกลับตัวสํานึกผิดกลับตัวอันนี้พูดถึงใครพูดถึงชาวอาหรับมูชาเจวิตททตันน บ, บียืนเวลาสี่เดือนจะได้กลับเนื้อกลับตัวอ้าแสดงว่าสํานึกผิดเนี่ยต้องทําอะไรก็คืออุลมามะบางท่านบอกว่าก็คือต้องละทิ้ง ตระกูลอ้แม่จะเอาละทิการบูชาจรวนี่เงินใครแรงแต่บูก็คือกับเนื้อกับตัวสำนึกผิดนี่คือเปลี่ยนแปลงเรื่องสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องตั้งพาคีต่อเราสุมาลตันวากรุษแลดัมรงซึ่งการละมาว่าตวิจกาลและชัมระจการแล้วใช่ไอ้ขวนุกุมฟิด์ดีนก็เป็นพี่น้องของพวกเจ้าในศาสนาก่อนหน้านี้เนี่ยอายะเนี่ย Allahu Akbar. ฟังนาบว่า قام الصلاة وادا الزكاة. ฟี่ร ak, ok ay ์อัครุณคุมฟิดีนถาเขาสำนึกผิดสำนึกผิดกับแม่กับตัวนำโรงซึ่งการละหมาดบริจาค z a กา t แล้วไซกับปน้องของพวกเจ้าในศาสนาอายาก็นานี่เขค้นดูสบีแล้วก็จงปล่อยเขาปล่อยเขานี่ก็หมายถึงว่าไม่ต้องไม่ต้อง ไปประกาศสงครามกับเขาไม่ต้องประหันประหานเขามันก็มีค่าเดียวเพราะถด้บอกว่าไอ้คนอนุกรมฝิดีนี่ก็เป็นพี่น้องของพวกเจ้าในศาสนาก็หมายถึงว่าเราจะประกาศสงครามกับเขาไม่ได้จะประหันประหารเขาไม่ได้อญาญะเนี่ยมีบางคนก็จะอ้างว่าเห็นไหมจะเรียกใครเป็นพี่น้องเนี่ย ถ้าเป็นต่างศาสนกเนี่ยเรี่ยเขาเป็นพี่น้องไม่ได้พี่น้องชาวคริสพี่น้องชาวพุทธที่จริงเนี่ก็มีตัวมจากอุลมะบางท่านนะดยเฉพาะอุลามะซาอุดีเนี่ยใครที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเร่กว่าเป็นพี่น้องไม่ได้แล้วก็มีกลุ่มที่ตามตามซุนนะอุลามะซาอุดีนะ ตามซุนนาอุลมาซาอุดีอย่างเดียวเลยเขาก็ข้อขก็พูดตามนี้แต่เรื่องนี้เนะี่ยผมสังเกตนะยเขาพูดเบาๆข้อไม่กล้ามาม า, มาพูดดังๆเพราะอะไระเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยก็มีมีพี่ไอ้เนี่กำลังติดตามอยู่พูดอะไรนี่เดี๋ยวเขาก็ไปตัดต่อตัดต่อเลยซวยเลยอ่ะ เออมีนักวิชการขั้นหนึ่งนะครับาออกอยู่ช่องหนึ่งบางีก็ไปบรรยายที่หนึ่งก็บรรยายก็มีมีแต่วีโนมุสลิมมานะเขาก็พูดวิจารณ์ศาสนาอื่นนะแต่โบพูดําอัธยาศัยหน่อยพูดๆสบายๆหน่อยพูดพูดพูดเกินไปหน่อ ย, ยแล้วบางเอื่น ก็ช่องบางช่องเนี่ยก็จะชอบไปอัดเทปนะักวิชาการตามที่ต่างๆเนี่ยนกะ็มาเปิดทีวีมามาเปิดโป๊ะและไ ม, ไม่ไม่ตรวจสอบไม่อะไรเลยปรากฏ ว, ว่าที่อุจายศาสนานี่ออกทีวีฟังกันทั่วประเทศเรโชคดีนะก็พี่น้องต่างเส้นนี่ต่างเส้นนี่เขาไม่ได้ดูทีวีแต่เทปเนี่ยไปออกพุทธิ์ ไปอุทิศขึ้นหนึ่งแต่อุทิศนี้มีคนฟังเยอะไงฟังง่ายไงก็มีพี่น้องแต่เสืนิดฟังอยู่ก็เลยร้องเรียนไปยังคอสทอชพ อ, อไปสื่อว่านักวิชาการนั่นนะ่ะเขาไม่ได้มองว่าเป็นเป็นคนที่พูดในอุทิศนะเขาเห็นว่าเป็นนักวิชาการที่ออกทีวีด้วย เรียกทั้งช่องเลยเกือบจะถูกปิดนะช่องโอ้ช่องนี้ก็เลยดินด้นดิ้นดุนตรงไปไปไปหาสำนักจุลาไปหาคนในสำนักจุลาจะได้อธิบายมันก็เลยเป็นบทเรียนนะให้รู้นี่ว่าคำพูดวาจาเนี่ต้องระวังฟัตัวาบางอย่างนี่เขาใช้นี่ ขาก็ใช้นบางประเทศนี่ไม่ใช่หมายในว่าจะใช้ในในทุกๆุกทุกพืก้น ท, ที่ถ้าสมมุติว่าฟ้ตาตัวนี่ว่าเออต่างเซนต์เนี่ยเรีว่าเป็นพี่น้องไม่ได้แต่สมมติว่าเป็นฟ้ตาตัวจริงและมีน้ําหนักด้วยนะก็มันใช้ไม่ได้บ้านเราใช้ไม่ได้มันพูดไม่ได้ทำไมอ่ะเราเราไม่ได้เป็นประเทศมุสลิมะจะพูดเราเดือดร้อนดิแต่อุลามาจะเข้าจะเข า, เขามีวิสัยมีความรอบครอบ น, นะ เขาจะต้องเว้นวักบ้างอ้ก็คือเรื่องเรื่องนี้ต้องให้ให้ดูตามสถานการณ์ต้องต้องมีอั น, นี้ปัญหาปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่นะของอุลมามะซาอุดีเนี่ยเขานึกว่าโลกทั้งหมดเลยเนี่ยโลกทั้งหมดเลยเนี่ยเหมือนประเทศซาอุดีใช่างประเทศซาอุดีเนี่ยไม่มีคณะนิติศาสตร์ซาอุดีทั้งหมดนี้ไม่มีคณะนิติศาสตร์ ทำไมพรเขาศาลของเขาเนี่ยเขาตัดสิน Sharia ตาม Sharia เขาก็เลยไม่มีนี่ดีสร์นติศาสั์สากลเนี่ยไม่มีเขามี Sharia คณะ Sharia แลวคนที่จบ Sharia เนี่ยนี่แหละที่จะที่จะขึ้นมาเป็นเป็นอายการเป็นบุ้ยวรักษาเนี่ยนะจบ s h a r i แต่ที่อื่นเนี่ยมีคณะ s h a r i แต่คนที่จบ s h a r i เนี่ยเป็นอายการไม่ได้ เรียวิยาศาไม่ได้ทําไมประเทศอื่นเขาไม่ได้ตัดสินด้วยอิสลามเนี่นี่อุลามาที่ซาอุดีเนี่ยตะกอนนู่นน่ะนะถูกถามว่าเรียนคณะนิติศาสตร์ไม่ได้ได้ไหมเขาไม่ได้นิติศาสตร์นี่มันไม่ใช่กฎหมายอิสลามเรียนไม่ได้ฟัดัว่าเรียนไม่ไเรียนไม่ไม่เรียนนิติศาสตร์อิสลามเอาแล้วแล้วเราจะแล้วเรามีวิสัยในการที่จะเปลี่ยนแปลงกฎหมายให้เป็นกฎหมายอิสลามยังไง ถ้าไม่เรียนนิติศาสตรแล้วเราจะเป็นอายการได้ไงจะเป็นผู้วากษสายยไดไงแล้วก็เอาส่วนอิสลามเนี่ยเข้าไปอยู่ในองค์กรเหล่านี้ได้ไงถ้าไม่เรียนนิติศาสตร์แล้วก็เข้ากระบวนการของการทำงานตามมุต t นี้บางอย่างของประเทศเขาเนี่ยถึงบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีอุลามาบางอย่างนี่นะ ขอฟะตัวจากอุลามาต่างปเทไม่ได้บอกได้เลยนะไปขอฟะตัวจากอุลามาต่างประเไม่ได้โดยเฉพาะจะเป็นอุลามาที่ไม่รู้สถานการณ์ของสังคมแต่ในกำลังพูดถึงเนี่ยมันเป็นยังไงรายละเอียดเป็นยังไงฟะตัวไม่ได้ตะกี้ผมบอกว่าฟะตัวที่บอกว่าเรียกต่างศาสนาว่าเป็นพี่น้องไม่ได้เพราะว่าถ้าสมมุติว่ามันเป็นฟัตัวจริงแล้วมีน้ำหนักจริงนะ ก็ยังใช้ไม่ได้พระตัวนีันใช้ไม่ได้แต่ที่จริงพระตัวนี้เนี่ยอ่อนหลัก ฐ, ฐานเขาอ่อนหลักฐานแบบไอ้นี้ถ้าเขาสํานึกผิดก็คือไม่บูชาเจ้าเวทนํารงละหมาดบริจาคอากาศไปอีควานุก็เป็นพี่น้องของเจ้าในศาสนาถูกต้องแล้วเป็นพี่น้องในศาสนานี่นึ่งอัลลอฮฺบอกคนในศาสนา แต่เรามีพี่น้องไม่ใช่ในศาสนาเปพี่น้องไม่ใช่พี่น้องในศาสนาแล้วอัลลออัลลอกเรียบุคคลที่เป็นพี่น้องที่ไม่ใช่ในศาสนาแล้วก็บอกว่าเขาเป็นพี่น้องวสซามูดอุมซลิะุมชนซามูดซามูดอุซามูดนี่มุสลิมซามูดนีุ่มชนุมชนนบีซลนี่ไม่มุสลิม เ ป, galaxies, เป็นผู้ตอบแทนนบีสุลัยละซัมแต่ a l l บอกว่าอาขอาหุม صالح พี่น้องของเขานบีสุลัยพี่น้องของเขาถ้าสุลัยเป็นพี่น้องของเขาเขาก็ต้องเป็นพี่น้องของมันต้องทั้งสองฝ่ายคือสุลัยจะเป็นพี่น้องของเขแต่เขาไม่เป็นพี่น้องของเขามันเป็นไปไม่ได้แสดงว่าตัวนี้เป็นพี่น้องเป็นพี่น้องเป็นพี่น้องมันมีหลายมิติ เป็นพี่น้องในในฐานะที่เป็นเพื่อนในสายเลือดก็เป็นพี่น้องก็เป็นฉนั้นสายเลือดเป็นไหมเป็นเนี่ยของซาโมดแลนะนบีซอลเลาห์นี่หลายอายะในอุษานก็แบบนี้เป็นพี่น้องเป็นพี่น้องร่วมประชาชาติพอท่านนบะี ให้ ني, มุสลิมเนี่ยมองว่ามนุษยชาติทั้งหลายล้วนเป็นลูกหลานอาดัมคุลูกคุมอันีส่งตนบน่ยคุลกมลีอาดัมพวกเจ้าทั้งหลายกอนั่นนีนะฮะดีเนี่ยดีสเนี่ยลาฟ้าละลีอบยะะวะละอัละัลลอฮละอัลลอลอัล ไม่มีคนผิวขาวจะประเสริฐกว่าคนผิวดำไม่มีคนผิวเหลืองจะประเสริฐกว่าผิวดำไม่มีคนผิวแดงจะประเสริฐกว่าผิวเหลืองไม่มีใครคำว่าผิวผิวนี่สีผิวนี่หมายถึงว่าเชื่อชาติเผาพันธุ์ทั้งหลายเนี่ยซึ่งความแตกต่างในด้านผิวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นสัมผัสสัมผัสชัดกว่านัะ เนี่ยตอนเนี้ยสง่ตอนเนี้ยสมมตนนิว่ า, นาคนแอฟริกาผิวดำกับคนฝรัง่งผิวขาวอย่างเงี้ยแล้วมาบอกว่าเอ๊ะนี่แกเป็นพี่น้องฉันอ่ะผมเป็ น, ป น, ปนไม่ได้จะเป็นพี่น้องกันได้ไงอ่ะคนละถวีปคนละประเทศคนละผิวดูนะศาสนาอิสลามเนี่ยละลายพฤติกรรมความเชื่อขนาดนี้แม้กระทั่งสีผิวเนี่ย อย่าให้เราหลงตามข้อแตกต่างนี้ไม่ที่จริงเนี่ยกุญลูกุ้มผัวเจ้าทั้งหลายเนี่ยไอแดงไอําไอขาวทั้งหมดเลยนะลีอาดัมล้วนแล้วนี่เป็นลูกหลานอาดัมแล้วทั้พวกเรานี่ทั้งหลายนี่เป็นลูกหลาอนอาดัมแสดงว่าพวกเราด้วยกันนี่เป็นวนินองนมันมัน ม, มันจะอธิแบบอ๋อนี่ลูกหลานอาดัมเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยพวกเจ้านี่ยเป็นดอง อะไรตลบตลบแบบนี้เออไม่จะพี่น้องเป็นดองอะไรเงี้ยใช่อ่ะมันเข้าใจมันเข้าใจพี่นๆแบบนี้ได้ก็แสดงว่ามีเป็นพี่น้องทางสายเลือดพี่น้องร่วมประชาชาติก็คือลูกหลานอาดัมนี่แหละและถ้าเป็นแบบนี้ก็แสดงว่าคาว่าพี่น้องนี่ก็หมายถึงว่าหมายถึงว่าคนที่ร่วมร่วมกันในเรื่องหนึ่งเรื่องใด ร่วมกันในเรื่องหนึ่งเรื่องหนในภาษ า, า, า, าอาหรับนคนที่ยืนยันยืนยันฟาตัวแบบนี้แล้วก็ถูกถูกวิจารณ์เพระาะฟัตัวเขาไม่ตรงกับฟัตวาของอเลมานโซรีในกระชื่อซูฟุยุสุคารดาวีเขาบอกว่าในวัฒนธรรมอาหรับเ น, นี่ยอาหรับตั้งแต่โบราณนะคนที่มามีบุญคุณกับเรามาช่วยเราเรียกเขาพี่น้องได้ อันน้มีคนมาช่วยยกนะอาคีอาคีอาคีก็ได้เขาอาคีได้ถ้าแกหน่อยนะถ้าแกหน่อยนะอ่าอามีเออลุงลุงก็เหมือนบ้านเรานี่บางทีเนี่เจอคนอายุมากเนราก็เรียกลุงลุงล้ลุงแพ้ไม่ใช่นี่ทุกวันแถบทุกวันธรระธรรมนะทุกวันรมเลยเป็นแบบนี้คำว่าลุงเนี่ยมักจะใช้กับ ลุงในสายเลือดไงแต่เราหยิบยืมมาใช้กับคนที่เราไม่ไรู้จักไม่ได้เป็นเคยญาติเราแต่อายุเขาเนี่ยอาวุโสเรากเนีลยเขาลุงถึงแม้ว่าจะเป็นนักการเมืองที่ไม่ชอบกระดังก็ได้กระลุงนด้แต่ว่าแต่กระดังเป็นแบบนี้ได้เรียกลุงเรียกเรียกน้าเรียกอาเรียกพี่น้องเพ <c oughs> ราะอะไรมีกิจกรรมร่วมกันมีความสนิทสนมอะไรสักอย่างนึงเลยกว่าพี่น้อง ชาติเดียวกันพี่น้องร่วมชาติพี่น้องร่วมแผ่นดินเรียกเขาพี่น้องไม่ได้เหรอก็ถือสัญชาติเหมือนกันมีภาระหน้าที่เหมือนกันเป็นพลเมืองที่มีเป้าหมายเดียวกันอยู่ร่วมกันแผ่นดินเดียวมีเป้าหมายเดียวมีมีโครงสร้างชีวิตใกล้เคียงกันไปตลาดนี่ก็ไปตลาดเดียวกันไปห้างนี่เขเข้าห้างเดียวกันจะไม่ได้เขาพี่น้องได้ พี่น้องพี่น้องชาวพุทธพี่น้องชาวคริสต์พูดได้ไม่เป็นความผิดไดๆ ไ, ไม่ต้องแขงใจในเรื่องนี้เลยพูดด้วยเต็มปากเลยพี่น้องชาวพุทธพี่น้องชาวคริสต์พูดได้และหลักฐานในคุณอานาริสในรองรับเยอะมากเฟซบุ o กจะได้จะตุตนเลย <laughs> พูดได้ ไอ้่องนี้รู้กว่าฝ่ายขวานุครมฝิดีนี่ซึ่งนี่ก็เหมือนกันพอเรามีกิจกรรมด้านศาสนาเน่ยเนี่ยความเป็นพี่น้องในด้านศาสนานี่นอันนี้เนี่ยในอิสลามให้เครดิตสูงสุดพี่น้องทางศาสนาบางทีเนี่ยพี่น้องทางศาสนาทางอุดมการเนี่ยมีข้อผูกพันมากกว่าพี่น้องในทางสายเลือด เชกเช่นพี่น้องที่ช่วยเหลือเราสนิทสนมกับเราถึงขนาดที่ช่วยเหลือมากกว่าพี่น้องแท้ๆของเราเนี่ยเราก็เจอในชีวิตนั่นนะนะสุภาษิตอารบในจิโอะว่ารูปเบอะขินลำแต่ลิดูอุ้มหมกอืมกี่มากน้อยกี่มากน้อยพี่น้องที่มไม่ได้มาจากช่องคลอดของมารดาเดียวกัน ก็หมายถึงว pues ่าไม่ได้เป็นพี่น้องทางสายเลือดแต่เป็นพี่น้องแท้กว่าพี่น้องแท่ๆเพราพี่น้องแท้ๆสายเลือดเดียวกันพี่น้องที่มาจากมดลูกมารดาเดียวกันนี่นะบางผมเดือดร้อนช่วยเหลือผมหน่อยเฮ้ยไม่มีกูลลงเยอะๆเราไปหาเพื่อนเพื่อนที่เออเอาเท่าไหร่บอกมา ความรู้สึกของเราเนี่ยเวลาจอพี่น้องแบบเนี้เวลาเจอพี่น้องแบบนี้คนที่เขาบอกช้าในเรื่องนี้เนี่ยพี่น้องแท้ๆเนี่ยทิ้งเขาแบบนี้แต่พี่น้องที่มาสายเลือดเดียวกันช่วยเหลือเขาขนาดนี้เนี่ยเขาก็บางทีเนี่จะเรียพี่น้องสายเลือดเดียวกันจะเรียกพี่น้องบางทีกันลิ้นมันแข็งเลย <c oughs> ใช่พี่น้องหรือเปล่าเพราะในในวัฒนธรรมต่างๆเนี่ย ยังมองถึงความเป็นพี่น้องนี่มันก็มันก็ขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับความเลี่ยมใสซึ่งกันและกันะในในวัในวัฒ น, นธรรมของเนี่ยญี่ปุ่นเกาหลีจีนเนี่ยพี่น้องร่ ว, รวมสาบานนะเนี่ยวัฒนธรรมตะวันตกนี่ตวันตะวันออกนี่ก็มีและเพื่อให้มันดูเหมือนเป็นสายเลือดเป็นพี่น้องสายเลือดนยู่แก่กีดเลือดให้เลือดมัน เออมันจะได้เป็นพีเน่เหมือนพี่น้องทั้สายเลือดเนี่ยดูเหมือนน่ะแต่จริงๆมันยังไงก็ไม่เหมือนนะยังไงก็ไม่ใช่พี่น้องสายเลือดแน่นอนแต่มีความเลื่อมใสกันมีความสมคีกันรักใคร่กันเต็งที่เนี่ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะอันนี้เราก็ต้องต้องพูดตามตามตรงคนที่มาเช่ศาสนาเดียวกันไี้กว่าพี่น้องได้ แต่การลำดับความเป็นพี่น้องในอันนี้เนี่ยพูดสำคัญเนี่ยต้องลำดับต้องลำดับพี่น้องที่ต้องมาลำดับแรกเนี่ยคือพี่น้องทางศาสนาไม่ใช่พี่น้องทางสายเลือดด้วยนะพี่น้องทางศาสนาอันนี้ต้องต้องต้องอันดับหนึ่งอันนี้นี่ใช่อันนี้ใช่เลยนนี้ตามหลัการศาสนาแล้วก็ต้องพูดตรงไปตรงมาพี่น้องไม่ใช่ทั้งหมดเนี่ยจะถือว่าคือศาสนาอื่นนี่อาจจะไม่ใช่ศาสนาอื่นนี่ เอออาจจะพี่น้องพี่น้องร่วมสาบานพี่น้องร่วมอุดมการณ์พี่น้องร่ว ม, ม, ม, มธุรกิจก็อาจจะสําคัญกว่าพี่น้องแต่ถ้าเป็นผู้ศธาผมุสลิมจริงๆนะอันนี้ทำบบี้ไม่ไดถึงเราจะเห็นกับมุสลิมบางคนในบางทีก็ เ, เนื่องจากว่าไม่เข้าใจในหลักการศาสนานี่ก็จะมีแบบนี้ความเป็นพี่น้องมุสลิมเนี่ยก็จะก็จะอ่อนไหวหน่อยไม่ไม่เข้มแข็งซึ่งเรื่องนี้เรื่องที่เราต้อง คือเราต้องเคียร์ให้ชัดนะครับทำไมกระเังในในหมู่พี่น้องมุสลิมของเราเนี่ยก็จะไม่เท่ากันเราจะรักพี่น้องมุสลิมของเราเนี่ยด้วยมาตรฐานอะไรอันนี้เนี่ยน่ดูพระสัมมาสัมพุทธาได้วางบรรทัดฐานอินตาบสซามนิกพิตคามศรัลละมาจักะฮะตะวิจักะ นี่พื้นฐานนะฝ่ายขวานี่แหละพี่น้องทางศาสนานี่คือนี่คือพี่น้องในศาสนาเ mm hmm. อ้าเขาก็ไม่มีใครบูชาจเจ้าเวทเขากละรมาทนั้นว่าจะข า, กกาทั้งหมดแต่จะเท่ากันไหมไม่พอแม้กระทั่งในการเต้าบัดตัวฝ่ายอินตา้าเวงเงี่ยแต่ในการเต้าบัดตัวนี่เหมือนกันในการละหมาดนี่ก็ไม่เหมือนกัน บางคนละหมาดตรงเวลาฮะฟักดูตรงเวลาบางคนก็ละหมาดบรรทัดเว้นบรรทัดบางคนละหมาดตรงฟรักดูละสุนทนระบางคนละหมาดฟาักดูอย่างเดียวเท่ากันเท่ากันไหมไม่เท่ากันความประเสริฐ ด, ด้วยตั ก, กวัเนี่ยก็อยู่ที่นี่แหละอยู่ที่ความประเสริฐในเรื่องกิจการของศาสนานี่แหละแล้วเราต้องผูกพันความรักของของเราเนี่ยในเครดิตคะแนนที่จะรัก ใครผู้อื่นน่ะนะตามเครดิตศาสนาที่เขามีอยู่ที่เราสามารถพิสูจน์ได้พอที่จะพิสูจน์ได้เราจะไม่มีบรรทัดาฐานอื่นอ๋อแล้วคนนี้มากกว่านี้เพราะอะไรป๋อเขาเขาให้กูยืมเงินเยอะเขาช่วยเหลือเยอะมันก็เป็นบุญคุณน่ะนะได้แล้วเขาเขาได้ แต่มันต้องลําดับสมุูรณ์ถ้าคนที่ให้ให้ยืมเนี่ยคนที่ช่วยเนี่ยเป็นคนนี้มีละหมาดมีบะดาที่เคร่งครัดมีมารยาทที่ดีครับต้องท็อปเลยท็อปของท็อปเลยแต่ถ้ามาเทียบสูงล้มาเทียบอ่าคนนี้ช่วยตั้งแต่ไม่ละหมาดเลยอีกคนนึงละหมาดแต่ไม่ช่วยอันนี้เราจะลําดับยังไง เนื่อจาว่าเราเราจะไม่เอาความรู้สึกส่วนตัวเอาผลประโยชน์ส่วนตัวนี่มาเป็นบรรทัศนฐา น, าน อ, อ๋อใครช่วยกูกูให้คะแนนใครให้การสนับสนุนนี่แสดงว่าเนี่ยรักรักสุดสุดมตาตัดทหารดูหมดดูยี่ห้อมือถือหมดถ้าไอโฟนสิบนี่ก็โอร ดูคุณเจรถดู่ข อ, <ท>อะไรต่งตางดูดูแ บ, บรนด์มมีคนอย่างนี้จริงนะคนมานี่มาแรกๆกันนะดูเสือ้อดูดูนาฬิกาดูรองเท้าดูแ บ, บรนด์ก่อนคนนี้เป็นคนแบรนด์ก็เป็นพวก<ว> no ว no แบรนดะ์นเขาจะอย่างนี้หละชีวิตของเขาเนะี่ยคนดี c i d อะไร สวมอะไรนี่ไม่แบรนด์น่ะน ะ, ะจุดเขาเข า, เขาไม่ครบมีคนแบบนี้มีจริงมีจริงไม่ต้องพูดแล้วนะคนแบบนี้เนี่ยเรื่องความเป็นพี่น้องในศาสนานี่นะมาตรฐานโหอิสลานี่มันอันเดียวกันนะอันเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องการเลือกคู่ครองเลือกบุคคลที่จะเป็นสามีเป็นภรรยา เ, ยเหมือนกัน แ้คน เ, เรียกเรียกภรรยาเรียกเกสามีเนี่ยดูดูว่าที่สามีว่าที่ภรรยานี่ใส่แบรนอะไรแบรนใส่แบรนเนี่ยพอชีวิตของเขาเนี่แบรนเนี่ยแต่ถ้าเจอคู่ครองนี่มนไม่ไปสนใจเรื่องแบรนหนึ่งอยู่กันได้ไงอยู่ดิกันยังไงอันนี้กันเลยนะอ่ะนี่ก็เหมือนกันต่เลือกว่าที่สามีว่าที่ภรรยา น, ยนี่ดูอะไรก่อนดูดูอะไรก่อนส่วนมากนะดูที่สเปก และสเปกอะสเปไม่มีอะไรยืดอยุ่นในโลกนี้เท่ากับเรื่องสเปกนี่แะไม่มีสองคนเหมือนกันเลยในโลกนี้ไม่มีสองคนเหมือนกันความสวยงามความหลอ่อความความเทนี้นะไม่มีใครเหมือนใครเลยถ้าจะมีเหมือนบางอย่างแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรที่ที่แตกต่างกัน ต, ต้องมีอะไรที่แตกตา่างกันไม่อย่างนั้นพวกนางงามอะไรเนี่ยมันจะมีคะแนนมีขัดแย้งกันไอ้คณะกรรมการที่คอยคะแนนเนี่ยังยังขัดแย้งกันแสดง ว, ว, ว่ามาตรฐานความสวยงามไม่มีใครเหมือนใครเลยนะใครเหมือนใครามาตรฐานของศาสนาไม่ใช่เราเป็นคนวานคือเราจะเรียกคนที่จะเป็นคนสนิทของเราเนี่ยเอามาตรฐานส่วนตัวนี่นะ มันพอได้แต่มันจะไม่ตรงกับคนอื่นไงไม่ตรงคนอื่นแ น, น่นอนผู้ศรัทธาเนี่ยในสังคมในสังคส น, นี่อย่าลืมว่าสุรตวาว่าและอายะอายาเหล่านี้เกี่ยวกับมาตรฐานพลเมืองในสังคมคนที่จะเป็นพี่น้องเราด้วแท้เนี่ยในสังคมนี่ใครแต่บุหะความุสลัมตวะตะวัซใครขวัญจะเป็นพี่น้องนี่พลเมืองจริงๆในสังคมนี่นี่คนเหล่านี้ เรามีโอกาสที่จะไปทํางานเดินทางร่วมกิจกรรมเราก็จะมีพี่น้องในทุกในทุกวาระทำงานเราก็จะมีเพื่อนในที่ทํางานเราจะทํากิจกรรมไปสัมมนาอย่างเงี้ยเข้าค้อเรียนอะไรเราก็จะมีเพื่อนในวาระนะั้น ที่เราจะตีสนิทจะหาคนที่จะมาเป็นเพื่อนใกล้ชิดกับเราเนี่ยถ้าเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเรามีมาตรฐานที่เป็นลำดับมากที่ไม่เหมือนคนอื่นแน่คนอื่นเขาเลือกนะ่ด้วยแบรนด์เลือกด้วยสเปคหน้าตาเป็นยังไงฮอ้ยจะ ถ, ถ้าไม่หล่อฉันไม่ไม่ไม่ไมไม ไอ้ฉนครบเนี่ต้องต้อ ง, ต, องต้องหุนต้องดีนะแต่อ้วนไม่เอาเอา้อวนไม่เอาบางคนบ้าขนาดนั้นอันนี้สิ่งที่พวกเราต้องระวังขณะเลือกบุคคลที่จะมาเป็นพี่น้องผมเคยเปรียบเทียบให้พี่น้องมาถามว่าเนี่ยเราเราจะเลือกเพื่อนยังไงคือเพื่อนนี่ไม่ใช่ระดับเดียว ปรียบเทียบว่าเพื่อเราจะมีหลายวงมีวงวงในเพื่อนวงในตัวนใกล้ชิดแล้วเราสังเกตนะ น, นะสมมติเราอยู่ในศูนย์กลางนี่นะแล้วก็จะมีวงที่มันล้อมวงกลมที่มันล้อมศูนย์กลางเนี่ยสังเกตนะว่าวงที่มันอยู่ใกล้ศูนย์กลางเนี่ยจะเป็นวงเล็กหรือใหญ่เล็กสุดดิมันต้องเป็นวงเล็กสุดมันจะมันจะใหญ่ต่อเมื่อมัน มันยิ่งห่างยิ่งห่างมันก็ยิ่งกว้างใช่ไหมแสดงว่าในวงในเนี่ยมันไม่มีโอกาสที่จะมีเพื่อนเยอะอสูรอะถามว่าเพื่อนทั่วไปนี่กี่คนสองคนแล้วเพื่อนสนิทละ่ะโอ้สองร้อคนเป็นไปได้ไงอะ <c oughs> เพื่อนสนิทได้สองร้อยคนแล้วเพื่อนทั่วไปนี่สองคนเป็นไปได้ไง <c oughs> มันมันมันมั น, มนสัมชาดตยาน วงเล็กนี่นี่เนี่ยคนใกล้ชิดสนิทเนี่ยเนี่ยเน่ยเราอย่าไปเครียดนะบางทีเนี่ยเจอปัญหาระหว่างเพื่อนเนี่ยก็คือเรื่องผิดหวังเรื่องงอนกันเรื่องไม่พอใจกันเนี่ยอย่าไปเครียดอย่าไปงอนอย่าไปกโกรธอย่าไปอะไรเราเนี่ยไม่ไม่ไม่มีใครเต็มที่กับเราเราไม่เต็มที่กับใครอ่ะใ ค, ใคายวงเรามีหลายวงไง เอาใช่ไหคนในวงใ น, นนี่นะก็คือคนที่เต็มที่คนที่ผ่านคุณสมบัติติ๊กทุกนะติ๊กน่ะติ๊กติ๊อ้ยถูกถูกถูกกถูกใจหมดถูกใจหมดอันนั้นนะ่อะอยู่ในองในซึ่งคนที่ถูกนี่น่ะไม่เยอะหรอกไม่เยอะหรอกจะไม่ไม่กี่คนแต่เพื่อนทั่วไปเนี่ยเพื่อนคุณสมบัติเนี่ยไอติ๊กเนี่ยคนสมมติว่าเรามีอยู่สิบคุณสมบัติ ถ้าติ๊กสิบสิบคนที่สมบัติเนี่ยคนที่อยู่ในวงในเพื่อนวงในใกล้ชิดไม่กี่คนก็ได้อ้าวแต่ติ๊กไปแปดสองติ๊กนี่ไม่ได้ติ๊กนะไม่ถูกใจเนี่ยอันนี้ย้ายไปอยู่ในวงที่สองขาดไปอีกติ๊กหนึ่งอ้าวงที่สามนี่เป็นต้นแล้วเราแล้วเราจะไม่อึดอัดไม่อึดอัดเพราะวงที่สามนี่วงที่สามนี่เราไป ขอยืมเขาเขาไม่ให้โอ้หนี่เป็นเรื่องเลยบล็อกบล็อก <c oughs> ไม่ต้องขนาดนั้นนะ่ะก็ต้องบล็อกก็ได้เพราะเขาอยู่ในวงสามมาวงสี่นู่นน่ะมันไม่ต้องไม่ต้องปคาดหวังอะไรกับเขาเอาแล้วก็นี่ไงวงวงเนี่ยวงหนึ่งนี่แหละที่เราติ๊กไปแล้วเนี่ยพอแค่ขอตังนิดนึงไม่ให้ก็เรียรบิเกียกย้ายเขาจากวงหนึ่ง เคียดยายก็จะวงเงป็นหกสิก็ยังเป็นเพื่อนเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่วงไม่ใช่ไม่ใไก่ชีติสไม่ต้องไปเครียดยยไม่ต้องไปเครียดอะไรบโอ้ยดีทวงมันรำคาญผมมันบล็อกผมได้ไงอ่ะนี่อยู่นิดดิบดิบสดสดเลยฝากบอกคนนั้นด้วยนะว่าผมไม่หาหลานเขาในวันเกียมาทําไมอ่ะเพราะเขาบล็อกผมอ่ะ เอามืม่มีผมก็ไม่ัไมหหนไม่ันหันน่ะไม่หลันนี่คุณเป็นอะไรเป็นใครอ่ะแล้วก็เรื่องไอ้ไอ้เรื่องลายเรื่องอะไรนี่มันมันกลายเป็นภาระอะไรขนาดนั้นที่จะไปทูลอัลลอ์นี่บลกผมอ่ะบลอกไลนยอ่ะถึงโบอโซเชียลเนี่านี่น่ะ ความสัมพันธ์ทางโซเชียลเนี่ยมันหนักแน่นหนักแน่นกว่าทางอื่นเลยบางทีไม่เจอเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นปีนเลยเป็นปีแต่ถ้าในไลน์เนี่ยไลน์แล้วไม่ตอบมันเป็นเรื่องอะนะเรื่องเพื่อนเนี่ยไม่เจอกันเป็นปีแต่ถ้าไลน์ไปเนี่ยแล้วก็ไม่อ่าน เ, าเขาก็โทรมาไม่รับสายทําไมอ่ะก็มึงไม่อ่านไลน์ อะไรประมาณนี้ส่วนมากเนี่ยมันก็จะบรรทัดฐานที่เราที่เราได้ใช้กับคนอื่นในการเลือกเพื่อนในการเลือกคนสนิทเนี่ยมันไม่ตรงมันไม่ตรงกับบรรทัดฐานของผู้ศรัทธาวันอุปศิลุยาธิเลียก็มีอารามุนและเราจะแจกแจงบรรดาองค์การไว้แกกลุ่มชนที่รู้ ในสุรัอัตตาบานี้ตั้งแต่อายะที่หนึ่งถึงอายะที่นี่สิบเอ็ดถือว่าเป็นถือว่าเป็นเรื่องเรื่องใหม่เป็นกฎหมายใหม่สำหรับสังคมมุสลิมและก่อนที่จะมีมาตรฐานแบบนี้เนี่ยอาหรับอยู่ในอยู่ในสังคมของเขาไม่ไม่มีนะ ข้อผูกพันในด้านหลักการศาสนาอย่างหนึ่งอย่างนี้เขาเขาไม่มีนื่องนี้การที่จะเออดูคนดูคนในละหมาดดูคนในตะวัในวาระดูคนในความเยียมเกรงในความมารยาทความสะอาดด้านวาจาด้านกิติกรรมแบบนี้ม่ีเพราในอาหรับนี่เขาถือว่าอา อสศวินที่สังคมยกย่องเนื่องจากว่าเขาเป็นคนกล้าหาญช่วยเหลือคนอื่นใครเดือดร้อนเนี่ยเขาจะรีบไปช่วยเขาจะเขาจ ะ, เขาจะมองว่าคนคนนี้เนี่ยคือสุดยอดในสังคมแม้ว่าคนคนนี้นะแม้ว่าคนคนนี้จะถือว่าดื่มเหล้าก็ดื่มเล่นการพานันก็เล่น ผิดประเวณีก็ผิดประเวณีบรรดานักแต่งกลอนนะ่ะนะนั่นนะ่ยถือว่าดาราสําคัญนะตัว่าน้นะัวก่อนนู้นน่ะกลอนเนี่ยกลอนเนี่เหมือนสื่อเหมือนสื่อคนจะดังนะในสังคมอาหรับเนี่ยจะดังดังเป็นยุคเลยนะเป็นศตวรรษเลยนะถ้ามีนักกวีคนหนึ่งยกย่องขโอ้โหดัง ือเหมือนเราในสังคมนใครจะดังเงนออกสื่อถูกต้องปะืดังหือยิงออกบ่อยยดังตากล้องสื่อตากลองนูนก่ก็คือก็คือกรอนนะกรอนของอัลละเขาจะมีแข่งขันทุกปีเนี่ย<ม>พวกนั ก, กวีทั่วค<ม>าบสมุทรอาลลัมนี่ก็จะมารวมตัวกันตลาดใกล้มักกะเนี่ชื่ออกาวมีจันห์ดิลมะจันี่ตลาดนัก ช่วงก่อนครรมพัฒเนี่ยอาหรับทั่วประเทศอาหรับนี่เขาจะมารวมตัวกันมาขายของก่อนครรมพัฒนี่ก่อนอิสลามนะ <c oughs> และในตลาดนัดเนี่ยก็จะมีการแข่งขันก็เหมือนเดี๋ยวนี้แหละตลาดนัดนี่ก็จะมีแข่งไก่ชนและอะไรนมีทุกที่เลยแล้วลเขาแข่งเรื่องเรื่องกรอนก็จะมีพ ว, วกเนี่ยพ ว, วกนักกรอนเนี่ยก็จะมาแข่งใครที่ชนะนี่นะ เขาก็จะเอากรอนของเขาเนี่ยเขียนเขียนในหนังหนังสัตว์เนี่ยด้วยทองคำนะแล้วไปแขวนที่กาบานึ่งหนึ่งในนักกรอนนักกวีที่ที่อาหรับนเนี่เขายกย่องเนี่ยคนหนึ่งชื่ออิมรุอุลก็์กรอนของเขานี่ประมาณเจ็ดสิบบทเนี่ยนะมีแต่เรื่องการสู้รบ ความเป็นลูกผู้ชายความเป็นคนกล้าหาญเรื่องจิตผู้หญิงกิจประเวณีกับผู้หญิงเรื่องกินเหล้าเรื่องเล็กตุ้มเบไปหมดเนี่ยเขาถูกมองว่าคนนี้เนี่ยเป็นยอดสุดยอดในคนในสังคม น, นี่คือมาตรฐานของอารักก่อนที่จะมีอิสลามเนี่ยมันก็กลัดมาเป็นมาตรฐานของยุคยิวเฮเลียใหมย่ยิเฮเลีย ข้ามประเด็นว่าข้ามประเด็นว่ารูปเนี่ยถ่ายรูปเนี่ยฮัลลหรือฮารุข้ามประเด็นนี้ไปเลยนะแต่มีมหละ่ะมีไหมละ่ะเยาวชนรูปของดาราหนี่มากกว่ารูปพ่อแม่ตัวเองมีไหมละ่ะนี่คือแต่ถ้ารุนมม่นผมมานแต่ก่อนรุ่นนั้ไม่ไม่ต้องไปไปดูไม่ต้องไปดู รูปในอลลบั้มในมือถือนะ่ะแต่ก่อนนูนไม่มีแต่ก่อนนู้นใครที่รักใครเคารพใครนับถือใครนี่นะเขาจะมีเก็บรูปในกระเป๋าตังค์กระเปาตังค์อันนี้รุ่นผมนะผมนี่คันกันหรือเปล่าหลือแต่อั น, นี้เขาเก็บในนั่นหมดนะั่นแหละแต่ก่อนนู้นก็จะว่าคนที่นิยมดารานิยมนักเตะบอลเนี่ยนะเข้าห้อง เต็มไมปหมดเลยรูปดารานักเต็มเต็มไปหมดเลยแต่ไม่มีรูปพ่อแม่เขาไม่มีแต่มันก็สื่อให้เห็นไงสื่อให้เห็นไงว่าความรักใคร่ความนิยมความเคารพนับถือสําหรับเขาเนี่ยกับคนเหล่านี้เนี่ยมากกว่าคนใกล้ตัวนี่คือมาตรฐานของคนที่เขาไม่มีหลักศรัทธาเขาไม่มีคําสั่งสอนไม่มีไม่มีจริยธรรมในชีวิตของเขา เลือกใครจะมาเป็นเพื่อนเลือกใครจะเป็นคนสนิทเพื่อนตายเป็นใครที่ที่มีความสนิทสนมในชีวิตเนี่ยไม่มีบรรทัดฐานในศาสนาเขามีมารยาทไหมเขามีความยำเกรงต่อพระเจ้าไหมเขาเป็นเป็นคนที่เป็นคนที่นอบน้อถมถ่อมตนไหมสังคมสรับนี่ยังมีหลักการศาสนาบ้างะนะปดิอิบ กอุนประเทศอีบเป็นประเทศที่เชื่อฝั่งอุลามาแล้วก็ในประเทศอีบนี่ตกลงนู้นนะก็มีผู้รู้คนหนึ่งซึ่งเป็นผู้หญิงนะไม่ใช่ผู้ชายนะนี่มันให้เห็นชัดนะว่าสังคมมุสลิมนี่ไม่เคยแบ่งแยกทางเพศเลยนะประเทศอิบทุกประเทศนะฟังผู้หญิงคนหนึ่งชื่อสกีนะสกีนะเบนตูารีอิบเนื้อ حسين อับดอาลีอิบดุลอัลลิบเป็นลูกแล้วนะเบี แต่เป็นผู้รู้รเป็นผู้รู้น่ะฟังกันทั้งประเทศดูนะอิมามชาวีเนี่ะอพยพจากอิรักนี่มาอีบมาเป็นคนแปลกหน้าคนตะกอนนู้นนะ่ะคนอิบเนี่ก็ไม่ไปดูในทวิตเตอร์ดูใครมานี่ไม่ใช่อิบใครมาจากมาจากอิรักนี่นะมือใครเป็นใครไม่รู้แต่อิมามชาบีเนี่ยพอมานี่เ อ, อ๊ะ พูดถึงเรื่องความรู้เรื่องศาสนาเนี่ยเขาก็ผิดสังเกตว่าคนนี้มีความรู้ดิจี่มาจะมีก็เลยตั้งโตะสอนสอนฟิคสอนนิติศาสตร์อิสลามไม่มีใครไปฟังไม่มีใครไปไม่มีใครไปสมัครเป็นลูกศิษย์เลยทำไมไม่รู้จักเป็นใครเป็นใครอ่ะนี่ขนาดครูบะเขายังเลือกกันเล่นะไปถามส ก, กีนะเพราะเขเป็นผู้รู้ที่เขาฟังกัน ไปถามว่าไปศึกษากับอิหมามกับชาฟีอีดีไหมบอกว่าเดี๋ยวก่อน เ, เดี๋ยวขอสืบก่อนขอสืบก่นอกนเธอเนี่ยไปแอบดูอิหมามชาฟีอีละ嘛ไม่ได้ไปฟังเขาบรญยายนะไม่ได้ไปเออส่งอะไรกันไรส่งคำถามลองวิชานะเออดูม า, มาห ไ, หไหมไหน ไมดูคนละหมาดคนละหมาดอย่างไงพอเสร็จแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาก็มาถามว่าว่าไงให้เรียนไหม อ, อนุญาตได้เรียนไหมเมว่าเรียนคละหมาดเป็นอินนหูยูฮิสีนูยูซัลลีถามว่าละหมาดเป็นสําหรับสลับเนี่ยไม่ใช่ละหมาดเป็นเหมือนอ๋อละหมาดเป็นไม่ใช่คื อ, อละหมาดเป็นเรื่องเป็นราวยุฮิสีนูละหมาดดีละหมาดเข้าทา่า ดูดิดูคนยังไงอ่ะดูคนในละหมาดอ่ะคือตอนนี้เนี่ยถ้าจำอาผมเคยบอกนะคนบางคนนี่นะ่ะมาปรึกษาว่ะคนนี้นี่มาขอลูกสาวผมนี่มีเจ็บมีความเห็นยังไงผมก็ผมบอกว่าไปดูไปดูดิไปละหมาดไปแอบละหมาดใกล้เมซิดเขาเนี่ยละหมาดซูบโบใกล้เมซิดดูดิเขาละหมาดซุบโบไหมแค่เห็นเขามาละหมาดซุบโบเนี่อันนี้จบแล้ว จบแล้วแล้วต่เห็นเขาละมาดดูนี่เขาละหมาดยังไงนี่ดูเขาะมาดยังไงลักษณะการลมาดี่มันจะฟ้องอะไรหลาอย่างผมถามว่าเขาเขาเตระกูไหนเขเป็นญาติใครเขามาจากไหนส่วนมากที่เราจะให้ความสำคัญโอ้มไม่ตักคูเนี่เขาคไม่ถามผมหรอกเขามีกี่ไร่เขานี่ยแต่คนส่วนมากตอนนี้เนะ่ยแต่ใครจะมาเป็นเขยเป็นสะพยเนี่ย เรื่องทรัพย์สินเรื่องเรื่องเชื้อตะกูลเรื่องอะไรนี่มันก็จะมาก่อนเรื่องละหมาดอ่ะ้ไปดูนี่ว่าที่ลูกสะพ้ยว่าที่ลูกเขยนี่เขาจะยังไงเขาขาละหมาดยังไงเขาเวลาเขาอ่านกุดอ่านอ่านกุดอ่านเป็นไม่ไปแอบดูเขาอ่านกุดอ่านนก็จะได้ดนูนี่มาตรฐานแบบเนี้แทบไม่มีแทบไม่มียิ่งจะมาโอ้อเป็นเพื่อนอพี่น้องลองลอง กลับบ้านไปทบทวนตัวเองเพื่อนทั้งชีวิตนี่มีเพื่อนกี่คนและเพื่อนแต่ละคนเนี่ยที่อยู่ดีๆเนี่ยเขามาจั่เอะในชีวิตของเรานี่มาเป็นเพื่อนเนี่ยมาจักเอะเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยเขาเป็นเพื่อนได้ไงเป็นเพื่อนเพราะอะไรเพราะแน่นอนเขาจะมาเป็นเพื่อนโดยที่เราไม่เปิดไฟเขียวให้เขาอะนะเขาจะเป็นเพื่อนไม่ได้ใช่่อื้มไฟเขียวเออมาเป็นเพื่อนได้แต่เราเปิดไฟเขียวให้ใคร ค, คนที่เข้ามาเปิดไบเขียวให้ใครคนที่มาสนิทสนมคนที่มามีพื้นที่ในหัวใจของเราในชีวิตของเรามากที่สุดเนี่ยเราเราให้ใครมีคุณสมบัติอะไรมาตรัฐานแบบนี้ไม่มีในะสมัยจาฮิเลียนี่ไม่มีเพราะแน่นอนกูอ่านมาแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แจกแจงให้คนที่สว่างหูสว่างหูสว่า ง, า ง, างตาอย่างแน่นอน คนชีวิตเขานี่ไม่เคยอยู่กันแบบนี้ไงอยู่กันแบบเอาคําสั่งสอนนี่มาเป็นบรรทัดฐานมาเป็นพื้นฐานในการที่จะสํารวจคนใกล้ตัวแบบนี้อะลลอฮฺเจมุกอุฟัซซิลแลเลยที่เรีกโมียาละมุนแจกแจงบรรดาองค์การไว้แก่กลุ่มชนที่รู้แสดงว่าคุตตาเนี่ยต้องเป็นที่พึ่งสําหรับผู้ศรัทธาที่ต้องการองค์การที่ชัดแจ้ง ในประเด็นต่างๆในชีวิตอัลลอฮ์อัลอล์ลอลบอกว่าแจากแจงแล้วไนงะองค์การของอัลอลน์นี่ทุกประเด็นนีนะ้มีกรอบมีมาตรฐานอะไรมีอยู่ในคุรานแต่ถ้าเราถ้าเราไม่ไม่ยึดคุรานเป็นเป็ น, ปนบรรทัดฐานชีวิตของเรานี่ปัญหาที่จะเกิดขึ้นสำหรับผู้ศรัทธานะถ้าเราไม่ได้เอาคุรานมาเป็นบรรทัดฐาน มาดูรายละเอียดว่าเราจะเดินหน้ายัางไงเราจะเราจะเลือกเพื่อนใครเป็นยังไงเป็ น, เ ป, นเป็นเพื่อนอยังไงถ้าเราไม่ไยึดมาตรฐานตรงนี้เนี่ยปัญหาที่จะตามมาในชีวิตเนี่ยมันก็จะเกิดเท่ากับที่เราได้ห่างไกลจากหลักการอย่างแน่นอนบางคนก็จะใช้มาตรฐานชีวิตเนี่ยการมีเพื่อนมี ผู้รักมีมีเพื่อนสนิทนี่เอามาจากไหนละครหนันงบางคนเฮ้ยเหมือนในละครเหมือนในหนังเลยแล้วก็อัญเชิญอัญเชิ ญ, อชญไอ้สิ่งที่เขาดูในละคร น, นี่นะแล้วทำเหมือนเลยทำเหมือนเลยรูหน้ำอา่านนิทานอ่านอะไรเนี่ย นี่มันออกมันมันออกออ ก, ออกมาออกมาในนิสยัยในบุคลิกเลยนะเอะอแล้วทำไมแล้วทำไมจิตวิทยาเนี่ยเขาบอกว่าเด็กที่เล่นเกมอะนะเอะอกเกมเนี่ยมันจะสะท้อนในนิสัยของของเด็กแ น, น่นอนอยู่กับเกมนี่เป็นชั่วโมงแน่นอนแต่เกมชอบเล่นชอบเล่นเกมรุนแรงก็จะมีก็จะมีนิสยัยก้าวร้าวมีนิสยัย หัทียมมีนิสัยโดดเดือนก็คงจะพาไปเป็นแค่นี้นะครับผมสองลอะบินนะบ้มดออะไรอัลฮมอฮิสลมุอะลัยมาลุรห์มุลลอฮบระาตุ